273. ภามละกะโลนกะคมะนะคาถาว่าด้วยการเสด็จไปภาละกะโลนกะคาม 465. ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ามกลางสงนั่นแหละตรัสพระคาถาเหล่านี้แล้วเสด็จไปทางภาละกะโลนกะคามสมัยนั้น ท่านพระพคกุพักอยู่ที่พาลกะโลนะกะคามท่านพระพคคุได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับตั้งน้ำล้างพระบาทตั้งรองพระบาทกระเบื้องเช็ดพระบาทไปต้อนรับเสด็จแล้วรับบาทและจีวรพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาท์ที่ปูไว้แล้วทรงล้างพระบาท ฝ่ายท่านพระพะักตถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระพะคัคคุผู้นั่งเฝ้าอยู่หน้ที่สมควรดังนี้ว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือบินทาบาทไม่ลำบากหรือท่านพระพัคคุกราบทูลว่า ยังสบายดีพระพุทธเจ้าข่ายังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข่าและข้าพระองค์บินทบาตไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระพักุเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจฐานแกล่กลา ปลอบประโลมฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคกถาแล้วสเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จไปทางปาจีนวังสัทายวัน